ให้นั่งไปให้พิจารณาไปถ้าเรานั่งจิตเราสงบเราก็พิจารณาพิจารณาทุกอย่างอ่แหละอย่างความเมื่อยความเหนื่อยความหิวความกระหายความอดหลับอดนอนเราต่อสู้มาในการปฏิบัติ ต, ตลอดเวลา สี่ห้าวันมาแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาคนก่อนจะได้มากได้ผลก็มไม่ใช่ว่ามันจะได้ง่ายๆพอพุทธเจ้าของเราลองดูสิพุทธเจ้าโผลทนทุกข์ทรมานแค่ไหนตลอดเวลาหกปีบวชอยู่พยายามอย่างเดียวที่จะให้เป็นพระอระหันต์ให้ได้สัมมาสัมพุทธาให้ได้ ไปหาหมดทุกอาจารย์ที่เขาว่าเก่งๆดังๆไปมดก็ไม่ใช่ทางแต่สรูพอ ก, ก็มาทำทุกขละ ก, กิริยาเราเห็นไหมทุกลกละกิริยาพระพุทธรูปปางนั้นเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ทุกขละ ก, กิริยาพร อ, อ, อเลือดโคร ก, กระดู หนังหุงห่มโคงกระดูกไว้นั่นะปานนั้นจึงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ใช่ว่าทรมานนะทดสอบดูหมดมันก็ไม่ใช่ทางตัดสู้มันกันทรมานมากๆแบบีแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงทรมานมาแล้วก่อนพวกเรา ก่อนจะตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าก็ต่อสู้ฝ่าฟัาฟานอุปสรรคมาอย่างหนักหนาเหมือนกันไม่ใช่ธรรมดาให้คิดดูสิกินข้าววันละเท่ามเมาเ็ดถั่วเขียวนี่วันเดียวนี่วันหนึ่งกินข้าวข้าวเน่เท่าเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยดูสิเม็ดถั่วเขียวจะใหญ่อะไรไม่เท่านิ้วก้อย เม็เล็กๆทำอยู่ตลอดเวลาตั้งหกปีโอ้ไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางละทิ้งวิธีนั้นลูกน้องที่เคยอยู่ด้วยก็หนีหมดปัจจัาคีหาว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนมากๆแตและ ขายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆเห็นมากินข้าวมาเห็นนั่นไม่รู้ความคิดของพระโพธิสัตว์เลยพัะเจ้าขี่เนี่ยลองดูสิพรกอต่อสู้ขนาดไหนพวกเราเหน็ดเหนื่อยนี่โอ้ยไม่ถึงล็อกไม่ได้เชี่ยวหนึ่งของพพุทธเจ้าหรอกสิบหกส่วนแตงโม ลูกหนึ่งเผ่าออกสิบหกส่วนเราก็ไม่ได้ส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าเผ่าออเป็นสิบหกส่วนแม้ส่วนเดียวเราก็ไม่ถึงที่เราทำอยู่นี่เราว่าเราจะตั้งใจกิงเอาจริงเอายังเนี่ยสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าเอาอย่างหนักหนักกว่านั้นอีก นั่งอธิษฐานตั้งแต่หัวครับตาบใดที่ไม่ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ลูกจากที่นั่งนี้เลยที่รองนั่งคืออะไรยาขาอย่างพวกเรานี่ที่รองนั่งโอ้เบา อ, อย่างดีนั่งสบายอันนั้นยาขากระดูกกระดิกตัวนิดเดียวก็บาดขาแล้วหรือไม่บาดขาก็ ถ้าก็ดังโคบเขี้ยบโคบเขี้ยบนี่ไม่มีเสียงดังนั่งนิ่งบนยาคาร์อยู่ใต้ต้นโพลต้นโพต้นนั้นก็ยังอยู่แต่ว่ามันเป็นลูกมันแล้วเป็นรุ่นที่สี่แล้วต้นที่สี่แล้วอยู่ประเทศอินเดียนะต้นที่หนึ่งก็ตายแล้วต้นที่สองก็ตายแล้วต้นที่สามก็ตายแล้วต้นที่สี่ยังอยู่ พระพุทธเจ้านั่งประทับนั่งที่ใต้ต้นโพที่นั่นน่ะต้นอัดสัตวะพึกคือต้นโพนั่นแหละต้นแรกนั่นแหละดูสิอธิษฐานกิดว่าถ้าเราไม่นได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เลยที่นั่งมันเป็นที่นั่งเพชร ทำไมวันที่นั่งเพชรเพราะว่าคนใจเพชรถึงจะทำได้ขนาดนั้นตายเป็นตายอย่างเป็นอย่างจะเหนื่อยขนาดไหนจะลำบากขนาดไหนจะทรมานขนาดไหนให้ลองคิดดูที่ข้าวปลาอาหารกินวันละเล็กละน้อยเสเองยังต่อสู้ได้ยังอดทนได้ยังพยายามได้ไม่ใช่ธรรมดา ไม่ใช่ธรมรมานีแน่นอนจริงจริงจึงได้เป็นาศาสดาของพวกเราจรึงได้ตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในว่าโอยพวกมารกวรตรอดจนจะสว่างหนน่ะมารถึงพ่ายแพ้ไปพาอรุณขึ้นเท่านั้นแหละมารก็พ่ายแพ้พระพุทธเจ้าก็ได้ใช้ชนะ ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราต่อสู้มาอย่างนี้ลําบากอดทนมาอย่างนี้แต่ก่อนอยู่ในรั้วในวังเพียบพร้อมเลยสมบูรณ์ทุกอย่างทุกชนิด ท, ทุกเรื่องเลยแหละไม่ว่าเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องหับเรื่องนอนเรื่องอะไรแต่ อ, อะไรไปไหนมาไหนสะดวกสบายหมดทุกอย่าง แต่พระองค์ก็มาต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากทรมานอยู่ในป่าในเขาข้าหาจะกินใส่ปากใส่ท้องก็ไม่มีโดยพร้อมลงพร้อมลงเินพระองค์มาบำรุงร่างกายให้มันแข็งแรงขึ้นกินข้าวกินปลาอาหารร่างกายแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นก็อธิษฐานกิจเลย เพ็นเดินหกอะอธิษฐานกิดเลยเดินไายอยู่กลางป่านี่คิดดูสินั่งอยู่ใต้ใต้ต้นโพลต่อสู้กับพญามารเราจะได้ต่อสู้อะไรพวกเรายังไม่ได้ต่อสู้อะไรแค่นั่งก็ปวดขาเลยอย่างนี้เลยใจออกแล้วถ้าไม่มีระเบียบให้นี้ได้นี้แล้วนี้ต้องนานแล้ว เปิดแนบเลยแหละมันเป็นง้นอันนี้ก็เห็นว่ามันมีดีอยู่ดันแ่ะถึงอดทนต่อสู้แต่ว่ามันไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะก็มาได้ยวย า, าตโยมไม่ดีนะผู้มาปฏิบัติธรรมผู้หลีกเล่นทั้งหลายไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าเราทายังไม่ถึงพระพุทธเจ้าเรายังทำไม่เท่าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเรานี่ทำเด็ดเดี่ยวห้าวหารต่อสู้อดทนเข้มแข็งทุกอย่างไม่ท้อไม่ถอ ย, ไ ม, ถอยไม่หมดกำลังใจไม่ว่าหมู่มารจะมากมายขนาดไหนก็ตามพระองค์ก็ต่อสู้ได้เอาชัยชนะได้ไม่ได้วันไวเลยลองคิดดูสินี่แหละครูบาอาจารย์ของพวกเรากเหมือนกันรุดลงปูมลูกศิษย์ลงปูมั่นลงปูมัม่น ก็ต่อสู้อดทนตามวัตรโอ้ยยักษ์มันมาตีหัวจนนั่งสมาธิอยู่จนหลุพพบพกลงไปในพื้นแผ่นดิ น, นไม่ใช่ธรรมดาอยู่ถ้าสาลิกาพาไปอยู่ที่นั่นตายมาแล้วกั้งหลายองค์ ลูกภูมันจะขึ้นไปชาวบ้านไม่ให้ไปเลยอะถ้าก็พยายามว่าจะไปขอจะให้ไปบอกว่าอยู่ตรงไหนะจะตายหรือไม่ตายก็ไม่หวั่นไหวกันละสู้กันละลูกภูมันเขาไปอยู่ก็เก็บป่วยขึ้นมาเหมือนกันภูมิเขาไม่อนุญาตเลยโอ้เป็นกวนใหญ่เลยจนเพราะลูกภูมันจนได้บรรลุ คุณธรรมฉันสูง ข, ขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าโอโ้มันมีเจ้าป่าเจ้าเขานี่สำคัญนะ่หวงที่นึกว่าเราจะไปทำอะไรแต่สุวรนนี่กลายเป็นวัดแล้วทําสันิการวัดอยู่ข้างน้ำตกและเย็นสบายต่อสู้ขนาดไหนต่อสู้ขนาดไหนลองพี่นาดูสิเรากูมั่น ไม่กลัวเสือไม่กลัวช้างไม่กลัวผีไม่กลัวตายที่ไหนจะเป็นที่กลัวที่สุดไปที่นั่นไปทุกแห่งทรมานจุดแสนสาหัสเลยแหละไม่ได้พอถอยแม้แต่นิดเดียวถึงได้เป็นครูบาอาจารย์ของล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านรุ่นหลวงพ่อหลวงปู่ ขว่านนี่ก็เป็นรุดหลงปูหมดแล้วที่เป็นลูกศิษย์หลงปูมั่นนะหลงปูเทศหลงตามหาบัวหลงปูสามหลงปูชิมหลงปูอุ้ยหลงปูอ่อนไล่ไม่หมดเลยแหละที่ติดตามท่านออกไปหลงปูขาวหลงปูชอบหลงปูรุย นายอ้หลวง ป, งปู่แหวนหลวงปู่จันโสมหลวงปู่หลวงพ่อประสิทธิ์พวกเนี้ยนะโอ้ยหลวงพ่อวิริยังต่อสู้กันทั้งนั้นนะ ถ้าไม่เชื่อลองไปเอาประวัติของท่านมาอ่านดูว่าท่านต่อสู้มากน้อยแค่ไหนร อ, อดตา ย, ยไปเผยแพร่ศาสนาที่ปักใต้ลบภูเทศหลังจากลบปูมันวรณาภาพแล้วถวายเพลิงเสร็จแล้วก็เดินทางกับหมู่คณะประมาณสี่ห้าคนหรืออะไรพอไปจำพรรษาอยู่เขาน้อย ออกคณะก็ เ, เดินทางลงปากใต้เลยไปอยู่ภูเก็ตเลยภูเก็ตพังงากระบี่ไปอยู่ต่อสู้กับพระด้วยกันต่อสู้กับศัตรูหมู่มารนกรุงเทพเขาที่วนไปฉันชาวพระเป็นแถวเลยนั่งอยู่เขาจัดอาหารเรียบร้อยใส่ถาดใส่อะไรมาถวายถวายถวายที่เหลือเขาก็เอาไว้ ภาคกรับนั้นแล้วก็จะฉันจะฉันข้าวนะพอให้พรเสร็จแล้วจะฉันน้องปูเทศได้พูดขึ้นว่าวันนี้เราไม่ฉันข้าวกันเถาะป่าแขนี้ คือว่วันนี้ไม่ต้องฉันข้าวกันแล้วเนาะพวกเราพูดง่ายอืถ้าเป็นจำนวนอัศวะก็เป็นงี้แหละ ว, วันนี้เราไม่ต้องทานข้าวกันแล้วเนาะพวกเราอพอหลวงปู่เทศพูดอย่างนั้นพระทุกองค์ก็ไม่ยอมฉันเลยแต่ในประวัติหลวงปูม่มันไม่มีมเออหลวงปู่เทศท่านไม่ได้เขียนไว้เลยเ อ, อแต่อยู่ในประวัติของหลวงปู่ เลุงปู่อะไรหรอฮะลุงปู่ําพองเอา่าลุงปู่ําพองถ้าเกียดเลยมะพร้าวเอะหล่นลงมาแบบนี้ถูกพาข้าวที่มีอาหารนี่แตกกระจายไปเลยหมาลุมเข้าไปกินลเลยแบบนี้กินอาหารน่ะกินแล้วก็ เองอยงับงงับไปหรือว่าตัวตายเส็จหมดเลยตายหมดเลยหมาหนะ่ะตายหมดหมา ท, ที่ไปกินถ้าพระพวกนี้ไม่มีครูบาอาจารย์ที่มียานอย่างรู้อริย อ, อ, อนาคตหรือว่าเรื่องต่างๆได้ถ้าไม่เก่งจริงอ่ะโอยให้ลองดูสิตายหมดพระพวกนั้นกินข้าวเสร็จก็ตายงายงับงงับหมดเลย นี่ล่ะดุนแรงขนาดนั้นแต่ท่านบรรลุถูงสุดแล้วท่านรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงก้าหารทำงานช่วยพระศาสนาสละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงๆยอมเป็นยอมตายแต่ถ้าท่านไม่รู้นะพระนั้นก็ตายวดเลยที่ไปด้วยกันแต่นี่ท่านรู้ ท่านบอกอย่างนั้นเป็นอนว่าทุกคนไม่ต้องไปอธิบายมากมายเยดูหมาตายเป็นตัวอย่างหมาตายไม่ใช่หมายตานะหมาตายหมากิ่จริงเนี่ยมันตายมันตายจริ ง, รงเข้าไปวิธบาทไปวินท บ, บาบทโอ๊อย เนียนอยู่หางแถวนะ่ยพอหัวแถวพ้นไปสวนกันนะหางแถวเตะกันล่ะตะีกันล่ะวันหลังมาหลวงพ่อคาพองเป็นนีนใหญ่หรอบ้านนี้ไม่ใช่เป็นนีย น, นะถ้าเกิเป็นพรมกันเดีตอนนั้นเดินตามหลังเลยล่างท่านใหญ่ด้เป็นนักมวยเก่าล่างใหญ่ถึงขังเนะี่ย โอ้ไม่กล้าเขาใกล้เลยบะเนี่ยหางแถวจะผ่านก็ไม่กล้าเขามาตีมาเตะมาต่อยดูสิให้คิดดูขนาดนี้นไปวินทาบาทในหูบ้านกลับมากุฏิเหลือแต่ฝุ่นกุฏิสับรองกุฏิไว้ไม้กุฏิยากาเหลือแต่ฝุ่นเขาเผาทิ้งหมดเลย ใบสุทธิใบอะไรต่างๆเอกสรารต่างๆเสียหายหมดได้ไปทาเอาใหม่หมดเลยมันยุกยากมากแค่จะไปเผยแพร่เดี๋ยวไปภ า, าวนาถ้าก็าไปแล้วอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทพอยู่กับหลวงปู่มันตั้ง1ิบสองปีอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศไม่ใช่ธรรมดา เราเวลาสิบสองปีพิจนากายอย่างเดียวฝึกสมาธิด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธโลกปอานสุบริกรรมลวปมั่นให้บริกรรมเยพุทโชปฏิกุโลร่างกายเป็นของสกโบกปฏิกูลถ้าก็ะท่องอันนั้นเราอยู่ในใจเยพุทโธปฏิกุโลอันไหนก็ได้ การภาวนานะขอแต่ว่าให้เป็นกุศลสิ่งนั้นเป็นกุศลเราให้ตั้งใจปฏิบัติให้มันถึงถ้าเราปฏิบัติถึงแล้วแน่นอนที่สุดเลยแน่นอนที่สุดมันต้องได้แน่นอนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเจดวันได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หรือพระนาคามีเจดวันไม่บรรลุเจ็ดเดือนต้องบรรลุคนหนึ่งเอาแต่งหนังสือเกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่ วิธีปฏิบัติตามสติปัฏฐานสีใส่ชื่อน้งซื้อว่าเจ็ดวันเออเจ็ดเดือนบนรรลุธรรมโอ้คนซื้อใหญ่เลยคนอยากวรรลุธรรมอืมนั่นแหะครูบาอาจารย์เขาพวกเราต่อสู้มาขนาดไหนลําบากขนาดไหนยุ่งยากขนาดไหนทนทุกทรมานขนาดไหนที่จะสามารถเอาศาสนาเอา วิธีปฏิบัติเผยแพร่ไปทั่วประเทศถ้าหลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่มาถึงป่านนี้หลวงปู่เทพมีชีวิตอยู่มาถึงป่านนี้โอ้ยมันจะช่วยกันประกาศพระศาสนาอย่างเต็มที่เลยหละอันนี้ก็เลือแต่ลกูกแต่หลานเศษออกมาขนาดหลวงตามหาบัวได้มหาแล้วก็ริ้วเลยถึงหลวงปู่มั่นเลย โอ้ยเห็นหลวงปู่บันใครเดินมาในเงามืดผมใครก็มีผมต้วมีคนหัวลากมันไม่มีผมมันก็ยังเหลือเลาะข้างหูอยู่อโอ้หลวงตามหาบัวผมหลงพระอาจารย์พระมหาบัวครับเออยังงั้นไหนสินั่น ท่านรู้ใจของคนแล้วว่าคนนั้นต้องใส่หมัดหนักๆโอ้ยหลวงตามหาบัวดีกราบไปตั้งแต่บันใดนี่คอยขึ้นไปคานขึ้นไ ป, นไปจนไปถึงหลวงปู่มันนั่นทุกวันนี้เป็นยังไงฟันก็เป็นพระธาตุผมก็เป็นพระธาตุค่าอาจารย์รุ่นเก่ า, กาๆรุ่น หลวงปู่แล้วเนี่ยเยอะที่อยู่หลวงปู่มั่นที่หลวงปู่มั่นมาเผยแพร่ศาสนาอยู่จังหวัดรจังหวัดสกลนครหลงปูเทศก็เจ้าคุณธรรมเจดีนี่ปรึกษากันให้ทำจดหมายไปนิมนต์หลวงปู่มั่นลงมาอยู่อีสนพอพานเพราะภาคเหนืออยู่ตั้งสิบสองปีแล้วสบายพอแล้ว ภาคเหนือทั้งเ็นไปหมดเวลาเราไปกิจสงบง่ายท่านแผ่เมตตาไปแล้วทั่วแล้วภาคเหนือส่วนภาคอีสานหนึ่งท่านลงมาอย่างรีบด่วนเลยรีบปวดเอาโปวดเอาปวดเอาปดเอาโอ้ยไดเป็นพระหลานกันมุดพวกเราเนี่ยจะว่าอะไรถ้าตั้งใจภาวนามันก็ได้เหมือนกัน มันทํำไมมันจะไม่ได้เราทําถูกอยู่นี่เจ็ดวันมันไม่ได้เจ็ดเดือนต้องได้สิเจ็ดเดือนไม่ได้เจ็ดปีหนอพระเจ้าจว่าเราบอกไม่ต้องเจ็ดปีห้าสิบปีหกสิบปีถ้าจะได้ก็ยังจะสู้อยู่เนี่สู้เอาให้ได้แต่พอทําไปไม่นานเนี่ยมันก็ไม่มากมายอะไรมันก็สามารถบรรลุขึ้นมาได้เลยมันไม่ใช่ธรรมดา จิตใจของเราดิคืออ่อนนิบลงไปหมดวางวมดเลยนี่ถ้าเราทำได้มันไม่มีอะไรจะยึดจะถือเลยจะถือว่าอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นเรามันไม่มีเลยในหัวใจมันรู้ชัดจริงๆรู้ว่าโอ้โ oh หมันไม่ใช่ธรรมดานี่พอมันวางได้แล้วมันละได้แล้วมันทิ้งได้แล้วทิ้งวัตตาสงสารนี่ได้แล้วนี่ โอ้ร้องไห้เลยร้องไห้เลยเห็นไหมหลวงตามหาบัวร้องไห้ขนาดวันเล่าให้คนฟังอีกยังร้องไห้อีกแต่คืนนั้นที่ได้บรรลุอยู่บนดอยธรรมเจดีน่ะวัดดอยธรรมเจดีอยู่อยู่บนเขานะี่ยร้องไห้อยู่คนเดียวถ้าหลวงปูกก่บ้านยังอยู่ท่านก็ไม่ต้องใดร้องไห้มากเพียงแต่บอกว่าทําอย่างนี้เท่านั้นก็จะบรรลุไปแล้วอันนี้อะไรต่อสู้อยู่สมเดือน พูดโทก็ยังหายไปเลยอีกโอ้ยนี่ทําไงถึงจะได้ทําไนถึงจะถึงทําไนถึงจะหลุดพ้นในที่เรียนมาพระองค์นั้นสําเร็จอหรหันตรงนั้นพระองค์ น, งนั้นสําเร็จอหรหันตรงนี้มันปลุกใจน่าดูเล ย, เ, ยเราก็ต้องเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งให้ได้เหมือนกันเราไม่ถอยละ่ะเราจะต่อสู้ให้ได้จะยุ่งยากปัญญาก็ตามอดทนเดินจงกรม เอาเปเอาตายนั่งสมาธิก็เอาเปนาา็นเอาตายไ ด, ดูดูสิวันได้วัรู้มันขนาดไหนล่ะโอ้โหจะได้เป็นพราอาหารทุกคนนั่นแหละสามารถที่จะปฏิบัติได้ สามารถที่จะปฏิบัติถึงสามารถที่จะบรรลุกุณธรรมได้ถ้าเราต่อสู้อดทนไม่ขี้เกียจขี้ค้านไปนอนเสียถ้ามีแต่นอนเสียนอนเสียมันก็ไม่บรรลุมันก็ไม่กิเลสมันก็ไม่ถอยออกใจเราก็ตเต็มด้วยกิเลสราคะก็เต็มอยู่โทสะก็เต็มอยู่โมหะก็เต็มอยู่ อวิชชาความไม่รู้อรอยิยสัจสีก็เต็มอยู่ในใจหัวใจเราเหล่านี้ไม่พ้นไปไม่ได้แต่ถ้าเราพยายามชำระสะาสาังาต่อสู้อดทนไม่เกินเจ็ดวันนะก็ต้องได้เห็นธรรมชัน้นใดสั้นหนึ่งในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ว่าโสดาสกิทาขะนาคาอรหันมันต้องได้แน่นอน มันต้องเกิดขึ้นในใจของเราแน่นอนถ้าทำมาอันนี้มันเกิดขึ้นในใจของเราคือเราบรรลุแล้วนี่ปิดอบายาภพทั้งสี่ได้เลยชั่ววันใครเป็นผู้บรรลุล่ะใจนั่นแหละเป็นผู้บรรลุใจเป็นผู้บรรลุไม่ใช่กายบรรลุนะกายเหมือนเดิมนะนอกจากนั้นก็มีเปลี่ยนแปลงเป็นพระธาตุเป็นอะไรถอนฟันออกมาก็เป็นพธาตุอแค่นี้ผมโวนออกไปก็เป็นพระธาตุเท่านี้แหละ นี่คือแสดงออกทางกายทางร่างกายส่วนในใจนวลสุธิ์เต็มที่แล้วไม่มีรักไม่มีชังในหัวใจดวงนั้นไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงในหัวใจดวงนั้นนี่ขนาดนี้แหละเรามีครูบาอาจารย์สั่งสอนอยู่มีธรรมะของพุทธเจ้ายังนำมาแสดงได้อยู่ไม่ขาดตัวบกคร่อง มักแปดยังสมบูรณ์อยู่คนปฏิบัติตามมักแปดยังมีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันเลยโลกเนี่ยจะไม่ว่างจากพระอรหันเลยมันป่านนั้นจริงๆนะไม่ใช่ห้าพันปีหมดนะไม่ว่างเลยโลกนี้โลกนี้ไม่ว่างเลยพราะพรทีเจ้าพยากรณ์ไน้ว่ า, าศาสนาของพระองค์เนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะประเทศอินเดีย มันจะไปทั่วโลกทุกวันนี้ไปทั่วโลกให้มล่ะมันทั่วโลกแล้วตอนนี้พระธรรมทูตจบมาแต่ละอบรมแต่ละครั้งละครัง้งครั้งละห ก, ก, กสิบรูปหกสิบรูปหกสิบรูปใช้เวลาอบรมอยู่สามเดือนน่จบแล้วก็เขิบเลยวันนี้อุย้ยเราจะไปเผยแพร่ศา ส, สนาแต่คนท่าได้พูดที่ได้บรรลุมากคนแล้วนะั่ไปนะั่น มันได้ประโยชน์มากจริงแต่ผู้ที่ยังไม่บรรลุมีความศรัทธามันคงรักษาศีลที่ไหนให้ดีมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเดี๋ยวนี้ตามประเทศต่างๆก็มีหมดไต้หวันฮ่องกงญี่ปุน่นจีนอ ย, ยุโรปก็ดูสิอเมริกาอังกฤษโน่นเต็มไปหมด นัานแหละให้คิดดูสิมันไม่ใช่ว่ามันจะหมดสมัยหมดยุคหมดเวลาแล้วที่จะได้บรรลุมรรคผลนะพูดกันทุมกมดมรรคผลเป็นเป็นเรื่องที่เกินความสามารถมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าทาเกินความสามารถเราไม่สามารถทาถึงขนาดพระองค์ได้ก็จริง หรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีหลวงปู่บรรดาหลวงปู่ทั้งหลายหรือครูบาอาจารย์ที่เป็นรองลงมาเป็นลูกเป็นหลานลงมาออปฏิบัติต่อสู้อดทนอันนั้นมันมีเสือมีซ้าง เ, ออเป็นเครื่องต่อสู้อดทนเป็นเครื่องยอมเป็นยอมตายแต่ปัจจุบันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมีแต่ตาเสือตาซ้างลองดูสิ สร้างโบสหลังหนึ่งสร้างสลาหลังหนึ่งตาเสือตา้างมันจะหมดไปเท่าไหร่นั่นแหละทุกของที่จะต้องต่อสู้แหละทุกที่จะต่อสู้แหะสร้างสลาหลังหนึ่งรอดตายเหมือนมีอยู่ห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทมาสร้างวัดให้ลองคิดดูสิอาจะมามีเงินอยู่ร้อห้าสิบบาทท่านใช้ซานถวายกับ คุณหญิงอะไรละลืมชื่อะอืวคุณนายสุภาถวายห้าร้อยบาทไปทุดงกันเลยซื้อนังซื้อนี่ก็เลยเห ล, ล, ลือค่ารถค่าเรือเหลืออยู่แค่ร้อยห้าสิบบาทค่ารถมาจากสว่างมามาจากสว่างมาถึงบา้านปาเก้านี่เขาเอาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เงินมีอยู่ เขาเอามากกันแหละเอาก้าสิบบาทเให้ร้อยห้าสิบบาทเออเอาไปเทอะนะพอมาคิดสร้างวัดนี่ก็มีเงินอยู่เท่านั้นแหละซื้อหญ้ามงกุฎีได้หลังหนึ่งพอกันแค่นั้นเองนี่แหละไม่ใช่ไม่ต่อสู้ต่อไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆโอ้โหศาลาขึ้นมาโบทขึ้นม า, าที่พักที่อาศัยขึ้นมาเกิดขึ้นเองนรรมิตรขึ้นเองไม่ใช่ญาติยมบริจาคมาท้งนั้นเลย เขาจะบริจาคให้ได้มันก็ไม่ใช่ธรรมดาเขาต้องศรัทธาเลื่อมใสจริงๆเขาจึงให้เงินให้ทองให้มาตดให้เรามาสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ทีนี้เงินมันก็ไม่มีแร้วมันก็พุกยากขนาดไหนออพุกยากมากมิทธบารก็มีคนใสก็นิดๆนหน่อยก็ได้กินนั่นแต่ว่าใจเรามันสงบมันสบายเดินจงกรมอยู่หรือว่าเดินทํางานอยู่มันก็สบายอย่างก็ชอบใจตรงนี้ าต่อสู้อดทนแต่ก่อนครูบาอาจารย์เอาสร้างเอาเสืออยู่ในป่าเป็นเครื่องต่อสู้อดทนปัจจุบันเอาปูนตาเสือเอาปูนตาสร้างมาทีแล้วครั้งนี้โอ้ยแปดร้อยแปดร้อยถุงสองร้อยถุงเราจะได้เงินไหถุงแล้วตั้งหมื่นกว่าเราจะหามาจากไหนบันแล้วก็ต่อสู้ส อ้าวบอกญาติบอกโ ย, ยมช่วยเหลือกันนั่นนี่ต่อสู้มันก็นถึงเป็นทั้งนั้นมาสําเร็จขึ้นมาไม่เคยกอ่อสร้างก็ต้องหักเลยนะไม่เคยเทปูนไม่เคยอะไรก็ต้องหักไม่เคยไม่พอกราบก็กร า, าบไม่พอไหว้ก็ไหวนะ้แต่ก่อนนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเออครูบาอาจารย์น่ยเอาเสือเอาสร้างอยู่ในป่า พัวมามากๆมันรู้จะคิดถึงใครอคิดถึงก็พุทธเจ้าพระพระสงู์บอกกันไว้ตายเป็นตายตายเพื่อพุทธเจ้าอันนี้ก็เหมือนกันออืถ้ามาปั๊บก็คิดถึงใครเหรอโอ้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ก็ยอ่พ่อโยบแม่เนี่ยเออทําไมไปโย่พ่อโยบแม่ล่ะเอ้โยบแม่ก็จะเอาเงินมาสร้างบ้านหรือหลกโย่แม่โย่พ่อเอ่ไม่ไม่ควรพูดก็พูด ว่ต่อสู้ที่สุดเลยอัตมาตั้งใจโอ้ยจะไม่ให้ใครมานั้นได้เลยจะไม่ยอมใครเลยในชีวิตนี่ว่าอย่างงี้นะตั้งใจเด็ดดเียวขึ้นมาอมพอมาสร้างที่บ่านี่โอ้โหจะพกคุณเลยเออไม่พอเรียกว่าพ่อพอเรียกว่าพ่อไม่พอเรียกว่าแม่ก็เรียกว่าแม่เลยยมพ่อยอมแม่อเอ อ, เ อ, อ เขาก็เออเขาก็ให้เงินให้ทองมาสองหมืน่นสามหมืนสี่หมืน่นห้ามืน่นเป็นล้านหลายล้านเขมาทํามาสะต่อสู้ไหมต่อสู้พิธีมาณะก็ลดลงอควรจะยิงพเยอะก็ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นละต้องลดลง ครูบาอาจารย์ก็ต้องกราบต้องไหว้ อ, อ, อยางนั้นอย่างนี้หลวงพ่อนั้นนี่โอ้ยกว่ากิเลส จ, จะหมดจากใจมันไม่ใช่ธรรมดาก็เอานี้แหละเป็นเครื่องต่อสู้นั่นแหละทุกคนสามารถปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลได้ถ้ารู้วิธี รู้วิธีแล้วตั้งใจทำจริงๆแค่เรามาอยู่นี่เราก็มั่นใจแล้วว่าเรามีธรรมะในใจกันทุกคนแล้วนี่แหละถ้าเราทำต่อไปไม่หยุดหย่อนชีวิตนี้เราก็สมหวังเต็มที่แต่คณะมาที่นี่เรายังมาเท่านี้เรายังสมหวังแล้วเรายังสมหวังแล้ว ถ้าปฏิบัติไปอีกเจปีหรือปฏิบัติไปอีก20่สบสสปีข้างหน้าหรือห้สิปีข้างหน้าลองดูสิอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณธรรมที่เราทําไปมันก็เกิดขึ้นมากผลก็เกิดขึ้นจเจริญขึ้นในที่สุดก็เดกระดูกเป็นพระาธาตุนี่แหละใครบรรลุเราก็รู้ด้วยใจของเราเองเนะโอ้เราบรรลุแล้วอันนี้ใจเราไม่กลับไปกําเริบเผบสานขึ้นมาอีก ใจเราสงบนิ่งใจเราสบายใจเราปล่อยวางใจเราละราคะได้ใจเราละโภสะได้ใจเราละโมหะได้ใจเราละกิเลสตัณหาได้ทุกอย่างใจเราเบาใจเราสบายนี่เราเห็นแล้วนี่แหลเห็นธรรมคือเห็นใจของเจ้าของว่าใจบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นี่คือไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีราคะตัณหาไม่มีอวิชชาไม่มี ความมืดความบอดที่กั้นตาเราไว้ไม่ให้ตาใจเราไม่ให้เห็นอริยสัจสี่นั่นเราก็สว่างแล้วเราไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกแล้วนั่นนี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจปฏิบตัติต่อสู้อดทนครูบาอาจารย์ของเราหลองปู่ของเราพอเป็นพระในพุทธศาสนานี่แหละ ต่อสู้อดทนท่านยังได้เป็นพระอรหันต์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหล่ที่ติดตามหลวงปู่มั่นปฏิบัติตามหลวงปู่มั่นก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์หมดทั้งสิ้นพระลูกพระหลานที่ปฏิบัติตามมันก็ได้เหมือนกันเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันพวกเราปฏิบัติก็สามารถถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกัน แต่ว่าเราต้องตั้งใจปฏิบัติบัด น, นี้เราก็รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าต่อสู้มาหนักหนาขนาดไหนครูบาอาจารย์ต่อสู้หนักหนามาขนาดไหนพวกเราต่อสู้มาขนาดไหนได้เสี้ยวหนึ่งของครูบาอาจารย์ไหมฉันเช้าเสร็จปับ๊บขึ้นทางอยู่กลมทันทีเดินจนถึงเทียมหยุด ดื่มน้ำดื่มท่านั่งสมาธิต่อต่อสู้อยู่นี่แหละมันก็เป็นไปได้เหมือนกันขออย่างเดียวให้เราทําจริงก็จะต้องเห็นความจริงขึ้นมาใน ใ, นใจเราใจเราก็จะแจ่มใสเบิกบานมีความสุขอยู่กัน น, ะนี่แหละพอเราต่อสู้อยู่มันเป็นเรื่องเล็กน้อย ให้คิดดูครูบาอาจารย์ท่านทํามันหนักกว่านี้อีกบางคนก็กลัวผีกลัวสางกลัวทําไม้มันไม่มีอะไรหรอกมันก็เรื่องของหมันมันไม่ได้มาเกี่ยวข้องในวัดในวาหรอกไม่ต้องกลัวแค่ผีเฉยๆยังกลัวมันไม่มีตัวมีตนอะไรไปกลัวกันทําไม เสือสร้างครูบาอาจารย์ต่อสู้มาแล้วนี่แหละขอให้เข้าใจตามนี้ให้ตั้งใจอดทนต่อสู้บาปบันมุ่งมั่นเพื่อความบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาพ่าธรรมะเป็นของสากลเป็นของสากลเป็นของโลกพระพุทธเจ้าแสดงไว้เพื่อโลกให้เราปฏิบัติตามให้เราทำตาม ให้เราอดเราทนให้ต่อสู้ดินน้นรนเอาให้ได้เกิดมาชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วได้พบครูบาอาจารย์พอที่จะแนะนำสั่งสอนกันได้แล้วเราตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจทุกท่านทุกคนสาธุ